ใครอื่นที่จะเสมอด้วยนางทั้งสี่นั้นไม่มีแน่เจ้ากันดหาห์ละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อจันทกุมารถูกเขานําไปเพื่อจะฆ่าแม่ของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้แน่เจ้ากันดหาห์ละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เรา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 แน่เจ้ากันดหาห์ละเจ้าได้ให้ข้าพระกุมารทั้งหลายผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังแม่ของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยแน่เจ้ากันดหาห์ละเจ้าได้ให้ข้าพระกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีภรรยาของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลย แน่เจ้ากันฑาห์ละเจ้าได้ให้ข้าพระกุ ม, มารทั้งหลายผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังภรรยาของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดหาห์ละบุโรหิตเถิดพระเจ้าข่า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 ขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดะหาละบุโรหิตเถิดพระเจ้าข้าถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลมาให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย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 คนทั้งหลายเขาได้ลูกเพราะความวิงวอนเทพเจ้าขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเลยอย่าทรงบูชายันนี้ด้วยบุตรทั้งหลายที่ได้มาโดยยากเลยพระเจ้าค่าข้าแต่พระบิดาคนทั้งหลายเขาได้บุตรเพราะความวิงวอนเทพเจ้าขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเลยพระเจ้าข่า โปรดอย่าได้พระค่าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นบุตรที่มารดาผู้ทุกยากได้มาจากมารดาเลยพระเจ้าค่าข้าแต่พระมารดาพระมารดาย่อมย่อยยับเพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารมาด้วยความลำบากมากลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงทรงได้ประระโลกเถิดเชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก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 คือจุนจันแดงของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ารูปไล้ด้วยจุนจันแดงนั้นดีแล้วย่อม ง, งดงามในราชบริษัทมาเถิดเจ้าจงนุ่งผ้ากาศิกพัดอันเป็นผ้าเนื้อละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายเจ้านุ่งผ้ากาศิกพัดนั้นแล้วย่อม ง, งดงามในราชบริษัทเชิญเจ้าประดับหัตถารณ์อันเป็นเครื่องประดับทองคําฝังแก้วมุกดาและแก้วมณี เจ้าประดับด้วยหัตถาพอนั้นแล้วย่อมงดงามในราชบริษัทพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองรัฐผู้เป็นทายาทของชนบทผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าโลกองค์นี้จกไม่ทรงยังความสีเนหาให้เกิดในบุตรแน่ละหรือลูกทั้งหลายเป็นที่รักของเราอหนึ่งแม่เจ้าทั้งหลายผู้เป็นภรรยาก็เป็นที่รักของเรา แต่เราปรารถนาสวรรค์เหตุนั้นจึงได้ให้ข้าลูกทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งให้ข้าฆ่าพระองค์เสียโกนขอความทุกข์อย่าได้ทำลายหัไทยของข้าพระองค์เลยพระราชโอรสของพระองค์เป็นสุคุมาลชาติระดับแล้วงดงามข้าแต่เจ้าชีวิตขอได้โปรดฆ่าฆ่าพระองค์เสียกน ข้าพระองค์จักเป็นผู้มีความเศร้าโศกกว่าจันท ก, กุมารขอพระองค์จงทรงทำบุญให้ไพบูุ์ข้าพระองค์ทั้งสองจะเที่ยวไปในประโลกจันทาผู้มีตางามเจ้ายาชอบใจความตายเลยเมื่อบุตรของพระนางโคตมีผู้อันเราบูชายันแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าเป็นอันมากจักยังเจ้าให้รื่นรมยินดี เมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วพระนางจันทาเทวีก็ตีพระองค์ด้วยฝ่าพระหัตทรงรำพันว่าไม่มีประโยชน์ด้วยชีวิตเราจะดื่มยาพิษตายเสียในที่นี้ประญาติและพระมิตรผู้มีพระทัยดีของพระราชาพระองค์นี้ซึ่งจะกราบทูลทัดฐานพระราชาว่าอย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระราชโอรสอันเกิดแต่พระอุระเลย ย่อมไม่มีเป็นแน่แท้เถียวพระญาติและพระมิตรผู้มีพระทัยดีของพระราชาพระองค์นี้ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาว่าย่าได้รับสั่งให้ข้าพระราชโอรสอันเกิดแต่พระองค์เลยย่อมไม่มีเป็นแน่แท้เถียวบุตรของข้าพระองค์แม้เหล่านี้นั้นประดับพวงดอกไม้สวมกําไลทองต้นแขน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 ขอจงทรงตัดแบ่งค่าพระองค์ให้เป็นร้อยส่วนแล้วทรงบูชายัน์ในสถานที่เจ็ดแห่งอย่าได้ทรงค่าพระราชบุตรองค์ใหญ่ผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังเครื่องประดับเป็นอันมากล้วนแต่ของดีๆคือมุกดามณีแก้วไผ่ทูลเราให้แก่เจ้าเมื่อเจ้ากล่าวคำดีนี้เป็นของที่เราให้แก่เจ้าครั้งสุดท้าย เมื่อก่อนพวงมาลาบานเคยสวมที่พระอของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขารับคมดีแล้วจากฟันที่พระอของพระกุมารเหล่านั้นเมื่อก่อนพวงมาลาอันวิจิตรเคยสวมที่พระอของพระกุมารเหล่าใดวันนี้ดาบที่เขารับคมดีแล้วจากฟันที่พระอของพระกุมารเหล่านั้น ไม่ชาแล้วหนอดาบจากฟันที่พระสอของพระราชบุตรทั้งหลายกห็หาไทยของเราจะไม่แตกแต่จะต้องมีเครื่องรัดอย่างมั่นคงเหลือเกินพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุลทนไหลทากริษณาและจุนแก่นจันสเสด็จออกเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันของพระเจ้าเอกราช พระจัทนทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้ก น, คก น, น, วนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจันเสด็จออกทำความเศร้าพระหฤทัยแก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุนทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจัน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 สนานสะสมพระกายดีแล้วประดับกุณทนไลทากฤษณะและจุนแก่นจันสเสด็จออกกระทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชน